นิชองค์ธรรมะกันจากวัดป่าวันนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัด เวลาที่เราฟังพุทธวจนะนี้เอ่อเราก็ฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธินะเรา 1 เวเอ่อมีทั้ง นอกจากทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วการที่ นั่นที่มันจะสอดคล้องลงรับกันกับสิ่งที่ ไปที่วัดนั้นนี้เราๆเนี่ยคือเราไม่ได้ไปหาข้อผิดพลาดในท่านทั้งหลายเหล่านั้น นะสนใจว่าฉันจะถูกท่าเดียวสนใจว่าฉันต้องหา เรามาหาความดีๆในสิ่งอื่นสิ่งที่เราเห็นสิ่ง และก็หาโดยพยัญชนะด้วยและถ้ามีโดยบทพยัญชนะทั้งอรรถะและทั้งพยัญชนะก็ยิ่งดีมากในการ หาสิ่งที่ดีในสิ่งนั้นในสิ่งดีและไม่มันสิ่งธรรมธาตุๆทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในหาของ เป็นจิตที่ดีจิตที่ดีหาธาตุที่จะทําให้จิตของเรา นะมีอาสวะที่สังสมบ่มมาเนี่ยไม่เหมือนร้อน ความเอ่อลุ่มหลงมัวเมานั้นก็จะสังสมราคะ ลักษณะไม้จิตนั้นมีการตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันแม่เหมือนๆกันในเวลาใกล้เคียงกันแม่ก็แม่เดียวกันใช่รูป เณรก็ว่าจิตของเขาเนี่ยมาคนละดวงน่าจะมีความสัมพันธ์เป็นผัสสะในชาติก่อนๆความที่จิต หรือเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์แต่ถามเป็นคนทันละอย่าง อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วก็คือเป็นผู้ที่ละอาสวะเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเจ้าดอกบัวพวกนี้ น้ำบนใบบัวเนี่ยมันจะกลิ้งไปกลิ้งมามันกันดอกบัวก็เหมือนกันนะมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็น เรามาดูจิตของเราเนี่ยทําไมเราเห็นสิ่งต่างๆไม่ หรือว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตราบสนองเนี่ยอะไรมันเองน่ะก็ยังมีนิสัยเป็นวาสนาที่องค์ เช่นเดียวกันในอสวะที่เป็นนิสัยของเราเนี่ยบางอย่างที่มันไม่ดีเราก็แก้ซะแต่บางอย่าง ระวังไอ้นิสัยอื่นๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเข้า นิสัยอะไรที่ดีๆในที่เรายังไม่เคยทําเนี่ย ชีวิตของเราจะดีขึ้นดูเราลองๆคิดวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเราจะเอาใหม่ๆที่เราควรจะคนเราถ้ามีชีวิตอยู่ แม่ให้เป็นอย่างนั้นก็คือหมดบุญแล้วคือตายแน่นอนแต่ถ้าถึงแม้เรายัง นะเราลองพิจารณาดูซิว่าเรามีความดีตรงไหนในตัวของเราอาจจะๆแค่กินอาหารแล้วเราก็ อ่าตรงไหนที่มันดีเนี่ยเราก็พัฒนาให้มันเกิดให้มี 4 ในการเพียรที่จะ 4 อย่างนี้นะละความๆอัน หามาใส่ซะอันไหนที่เรามีอยู่แล้วความดีความงามต่างๆ ก็ว่าตามที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยนะว่าถ้าเราทําดีนะตอนนั้นเป็นเรื่องดี เราความไม่ดีความชั่วช้าลามออกๆเนี่ยมาๆได้ใจของเราเองเราทําดีๆได้และด้วย เป็นใจเป็นจิตเป็นครอบครัวเป็นองค์